ล้าการตั้งใจฟังเทศนาถึงเรื่องอ น, นัตตาให้ฟังควมเป็นจริงเทศนามามากแล้วเทศกว่าเทศเรื่องเก่าไม่ใช่เทศเรื่องใหม่เทศเกี่ยวไปเรียนมากระท้องเก่านั่นแหละคือแม้นี้จากตัวของเรา วนเวียนใ้เรื่อง เ, เรื่องตัวของเราถ้าสี่ดินน้ำไปลม ง, งานชนะขันอาชนะอยู่ในนี่แหละไม่ได้อื่นเกิ อ, อะไรหรอกแค่ว่าฟังลืมลืมของเกา่าไม่ได้ฟังเข้ากับเขาจะเป็นของไหม่ตัวของคนเรานั้นเกิดขึ้นมา ถือว่าตนว่าตัวถือว่าเราว่าเขาความเป็นจริงไม่มีอะไรหรอกเจ็บสภาพของข้ากันหนึ่งเท่านั้นเอเจ็บอาหารมาหล่อเลี้ยงไปชั่ว้างชั่วคาวเหมือนกันกับไปตลาดซื้อไปเก็บผักเจ็บมาใส่ก็พอมาใส่แตเศ้าได้ก็ นิ่วไปวานแล้วไปทำกินแล้วก็หมดวันหน้าเมืก่เก็บอีกทีหนึ่งไอ้เจ็เขาก็เช่าไปเก็บอีกทีอันตัวของเราก็เหมือนกันนั่นแหละเป็นเครื่องใส่อาหารครือใส่ลงไปในปากถาวรนะเมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งตั้งใส่วันหนึ่งวันหนึ่งตั้งใส่สองขนสามขน มันก็ไม่อี๋ไม่พอเป็นสักทีกตะวันเจ้าัทนเทศนาวะคุกค่าลันสังตะขารันตังไหลเข้าไหลออกอยู่ตลอดเวลาตัวของเราเหมือนกระถ่ายสองปากเหมือนกระถ่าเข้าทนนี้ไระถ่ายเขานน่าในสองปาก ใสเข้าไปทางบนที่มันก็ไหลลงไปข้างล่างแล้วก็ขอไปอีกับใส่อีกตั้งแต่นั้นนต่เท่าไรมาตอนนีตั้งห้าสิบหกสิบใส่อย่างนี้แหละใสเท่าไรก็ไหลลงไปเท่านั้นอันนี้เต็มมีคอไม่ชั่วทีท่านยังตั้งลูกปมาประไม่ไว นี่คนหาคนที่อยู่ในตัวของเราเนี่ยน่าศึกษาหัลือกันอันตารานี่ก็ไปมองเห็นสิ่งต่างๆทายหาเห็นเห็นเห็นสิ่งต่างๆชอบใจก็เอามามือเป็นคนเอามาหาใกล้หาไกลหาสิ่งในทั้งฟวงนดทั้งหยาบละเอียด ตาเห็นแล้วก็ชอบใจทำมาชอบใจที่นี่ไม่ใช่ตาไม่ใช่ตาเห็นนะคิดใจมันชอบตัางหากมันชอบใจใจมันชอบชอบาไม่ชอบหรอกเพระนั่นแหลจะเห็นอย่างนั้นตัวใจต่างหากเป็นคนชอบมันชอบใจแล้วก็ใจมนบงังคับ ให้มือไปยิดหรอยิดมามาเข้ามาใส่ปากเอามาใส่ปากแล้วก็เชี้ยวเข้าไป่ฟันก็แหลกแล้วก็คือนลงไปลงไปอยู่ในกระเพาะจะอยู่ชั่วคู่ชั่วคราวหนึ่งแล้วก็หายไป คือถ่ายไปถ่ายเทอไปเจ๊งว่า5คนเข้ามาไปชุมกันตาฮานบอกว่าเจ๊งจะเห็นได้เฉยไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลยตาเห็นเลยก็มือดแต่เป็นคนจีบไม่เฉยไม่รับผิชอบอะไรหรอกมันจะถอนเขาไปใส่ปากกับเชียว ฟันเมื่อกี้จะเส้รับผิดชอบเลยเป็นนอนนในรำใสเป็นนอ น, นีนก็บพ่ อ, อาหา่าคณะนม้นมก่อนมันนอนนี่แล้วคืนหนึ่งเปสาวไปไหนรุงเช้าไป็นสาวไปไหนโดยไม่นีใครรับผิดชอบแ้่คนเดียวแท่จริงคือผู้ใจนะตังหะ ใจได้เป็นคนรักคิดรับชอบคิดตายเห็นนั่นก็ใจนั่นได้เป็นคนเห็นไม่เจตตาเป็นคนเห็นคนตายแล้วไม่ดูอะไรไม่ได้หรอกใจมม ไ, กก ไ, ไม่หนีแล้วก็ดูอะไรไม่ออกมือก็ยิบใส่ปากไม่ได้อยู่ท่านใจมไมนีแล้สุดต้ายฟันก็เชื่อไม่ได้ ดำคอใ น, นทีไหนมันจะกืนได้เกินเอาไว้ก็ไม่ได้ทำมันตายไปแล้วก็อาหารมันจะไปรับรองไม่ไงเกินไม่ได้มันก็ไม่รับรองอะไรคนเรามันเป็นอย่างดีเลยทำไมถึงที่มันไม่รู้เรื่องของมันนั้นยังถือว่าเป็นตนเป็นด้วออยู่ร่างไป สิ่งต่างหากเวานี้ประกอบกันเขา้าจึงทำให้จึงสำเร็จอาหารสำเร็จเส้าจะเลี้ยงไหนล่ะคะตอนเขาไปถึงฝาแล้วตอนไม่ต่างกันไปไหนหายหมดเพราะนั้นเป็นเรื่องของเขาตัางหาที่น้ำจะหล่อเลี้ยงร่างกายให้ร่างกายสดชื่น อยู่ได้นั้นมันเป็นเรื่องของมนต่างหาเราจะบังคับมันก็ไม่ได้ดมันคับทําะไรไม่หล่อเลี้ยงร่างกายไปเลี้ยงผมขนเล็บไปเลี้ยงฟันหนังอะไรต่างๆไม่ได้ทั้งหมดนันเป็นเองของมันต่างหานั่นเลยจึงว่าอนัตตาของนั้นไปใหญ่ของใครทั้งหมด คนที่ทกเทียงกันอนัตตาคือของไม่มียังเรียกว่าอนัตตาอันนั้นทกเถียงกับอิทธิจินสุดถ้าของไม่มีเราจะเป็นอนัตตาได้อย่างไงอนัตตาท่านไม่ได้บอกว่าของไม่มีนี่อนัตตาในของมีอยู่ต่างหากแต่ไม่ได้อยู่บังคับบัญชาของเราต่างหาก นคนเถียงกัน จ, จนในสมาคมแล้วก็จนแตกสมาคมนั้นเถียงยี่ป้ายไว้ในบ้านนั้นเอนั้นแตกปวดใจต่นดู้วดใจตนเข้าใจที่ไหนได้มันเรียกว่าทำบอกทาช่าง คนใดจัอันใดได้กว่านั่นแหะเป็นของถูกจับงวงจับา้าจับขาเลยได้กว่าช้าเนี่ยมันก็เหมือนกับขานี่ยมันก็สูกอันไปจับหูได้ก็เหมือนกับดุกพดเขานี่จับงาได้กันั่นก็สากอย่างไรก็สากเด็กโตเทียนนั่งใหญโตหันทนไม่ตกไม่ลงรับ ขันหาดว่เาเอาหลักอันนี้คือความเป็นจริงอยู่อย่างนั้นแล้วธาตุสี่ดินดน้ำไฟลมคือตัวของเรา น, นี่แคงเป็นหลักอยู่ให้บอกมาได้ถ้ า, าหากไม่ฟังอย่างอธิบายแล้วยอมเป็นไปตามสภาวของมันเคื่อมศูนย์ดับไปก็ต้องเปลี่ยนไปดับไม่เกิดขึ้นมาก่อน เกิดจากปัจจัยรอริชาตันพาอภิทานนั่นเกิดขึ้นมามันดับไปแเพราะตันพาอริชาอภิทานดับไปเอาตัวนี้ไปตั้งเอาเป็นตัวกลางไลยท่านพูดยังไง ม, มันก็นลงรอยกันนล้สิมันนักตากับตัวนี่ม็หลงลอย อนาตตาไม่มีมันก็พูดไม่ถูกพูดไม่ถูกก็โตไปใส่ถ้าอานตตาเอาตัวนี้ตั้งไว้แล้วใช้พูดก็ถูกหมดทุกคนธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไม่เขา้าใจอานต า, าหาว่าของไม่มีเสื่อมสูญหมด งมมาอยู่ถึงเพียงแคนั้นพุทธศาสนาสอนให้เราเข้าใจสาจเป็นจริงของมันจริงอยู่อย่างนี้จะท้ะไม่เป็นจริงให้เป็นจริงอะไรก็เป็นจริงอย่างนั้นไม่ใช่สอนลึกซึ้งอะไรหรอกสอนตื้นๆนี่แหละที่มันซึ้งเน้นเพราะจิตใจต่างหากจิตใจละเอียดลึกซึ้งมันก็ต้องลึกซึ้งเราไปแลระดี ทไ่ไม่จิตแสวงไปเตรียมกับธรรมะการัสนานี่แหละอย่างพระสอนรูปกายเนี่ยเป็นอนัตตากับธรรมาะาร์เนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วต้องแก่แลงเจ็ะต้องตายเลยไม่มีใครตีเจรณาพอาะสภาเป็นจริงอยู่อย่างนั้น ถ้าหาพิจารณาซึ้นไปโอ้โหมันขอมันละเอียดลึกซึ้งมากสินันเกิดมาได้ที่ว่าเกิดมาได้เบื้องต้นมันแก่มาพราะมันเจ็บมาเพราะมันตายมาเพราะเบื้องต้นแต่ประฏิสนที่ครั้งแรกมันเพรเกิดมาได้ก็ดับเพื่อนั้นนะแต่มันไม่ดับจริงๆคือมันค่อยดับไปดับ คือมาอยู่ในคันนนี่ในแก่ามาได้แต่คันเทียนมาได้แต่คันอยู่ในคั น, นตายไม่ได้ตายโดยลำดับมาได้แต่อยู่ในคันคันไม่แก่มันก็ไม่คอดมันคอดออกมาแล้วจะคลอยเอติบโตขึ้นมาโดยลำดับตากเสื้าขอ็มันคนที่หลงว่าตัวไม่แก่ต้องว่าไม่เท่า หลงตนว่าไม่ตายนะควมหลงตนา่ะมันตายก็ดูดมันดำมันู้ตัวนั่งอยู่ตรงนี้ก็ตายไป ต, ตั้งหลายช่วผมงนะี่ยความปกปิด ก, กำบังที่ไม่เห็นเรียกว่าปิชันนัชลาปิชันนเวนะ พอปิดกำบังไว้ไม่ใเห็นนี่แหลเทศน์นายฟังถึงเรืนัตตาให้พิจารณาดูในนี้ที่เราเกิดที่เราทำที่เราเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ทุกวันวนี้อย่างที่เราเป็นเดี๋ยวนีว้อาหารที่เรารับประทานนะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสมาสินล้วนนะ่าจะเพือปากเพื่อท้องในชะ่ไหมถ้าไม่เพือปากเพื่อท้องแนละ้วก็ไม่ทแล้วก็ตามันเห็นคือใจมันเห็นตาไม่ใจอะไรต่อไม่เห็นหายใจ น, นี้ก็ไม่เห็นมือไปหยิบมาใส่ปากมือนั่นก็โดยใจเป็บังคับ ไอศ ป, ปลาไฟเคี้ยวไ ป, ปกระฟาดนั้นเกิใจนั้นแต่พาเคี้ยว้าใจนี้นนก็ม่เคี้ยวหรอกปลื้มลงไปอยู่ในลำไส้นอนคืนหนึ่งแล้วก็เอาไปส่งอันเรื่องทุกข์มันหยุดตามนี้อ่ะไม่ได้อื่นไกลเครยังมาไปส่งทุกข์ข้ามัาก็ไปส่งทุกข์ไปส่งทุกข์ข้างหนึ่งวั น, ลวนแล้วหนึ่งไปส่งอะไรก็กลับมาหาอีก พลเนี้ยอย่างนี้นะี่ยนี่เรียกว่าอนัตตาความจริงของเรานหละถ้าอะไรที่จะเป็นที่จะเป็นประโยชน์แก่เราใจนั่นนะ่ยมันเพียงแต่โมโหละเพียงแค่นี้ไม่หาแตแหวงหาดีหาคนงานผลดีก็ประโยชน์ของเาางราะข่ทตนหาประโยชน์เพื่อร่างกายกันก้นกามดไม่มีอะไรเลยเป็นเหลือ ตายแล้วไม่ได้เอาอะไรไปด้วยทิ้งมดของไปเิงควรที่จะเห็นถรู้เท่ารู้เรื่องเห็นตามเป็นจริงจิตจึงจะปลอดโปร่งจิตจึงจะโล่งใจจึงจะเบิกบานเอาเมาเทศมาธรรมิตการนั่งภาวนา จำเป็นเนี่ยต้องต่อสู้กันเบื้องต้นต่อสู้ด้วยเหตุใดด้วยเหตุที่เรามัดสุขสบายเวลานั่งสมาธิแล้วเปิดมันเดือดร้อนเป็นทุกข์ผูใจไม่อยากถูกภาวานาอันนี้เรียกว่ามันใช่เรา มันใช้ให้เราทุกข์ทนทประมาณมันหลายพบหลายชาติมันแล้วใช้ให้เราสนุกเข้าใจว่าเราสนุกคือไม่ต้องภาวนาไม่ต้องไปจนต่อสู้อยู่ในอำนาจของมันนึกว่าสบายแล้ว <c oughs> แท้จริงนั้นการต่อสู้นั้นเป็นเรื่องเอาชนะมัน ขาแต่มันนั่งมันเจ็บมันเมื่อยมั น, มมนปวดแขนปวดขาอะไรสักอย่างไอพิจณาเห็นว่า น, นั่นเป็นเรื่องของขา น, นั่นเป็นเรื่องของเอว น, นั้นไม่ใช่ของเราหรอกมันทั้งเป็นอย่างนั้นแ่ละเราไปยื้อไปถือตังางหาก ข้ามาแล้วไม่ยึไม่ถือแล้วมันก็นหมดเรื่องกันไปไมันจะเก็บเพื่อจะมีต่อเห็นเป็นอนัตตาไม่ไปถือว่าเป็นตนเป็นตัวเรากำหนดปีนานาะป่าสติกําหนดสลมหายใจเขาออกเท่นี้แหละขณะกำหนดลมหายใจเขาออกอยู่อย่างนั้นเราไม่ไปถือของภายนอก มันไปยืดขอไปนอกมันก็ขายไปนั่นแหะสิอย่างเมื่อเรียนหนังสือเป็นเด็กเด็กเนี่ยไปดูหนังสือกระเพระิรดูกัะหนังสือเข้ามันก็ไม่อยากมันลืมทานเข้าไปอันนี้อาการที่ยิดเราไปเค้นไปเป็นยึดยิดเราไปที่เจรน า, นาทั้งเรื่องความรู้นั่นอยู่ เมื่อกับพุทโทนะไอันนึก อ, นะ น, กอนาปารสีไปกำหนดกับพูดเอาอะไรอารมณ์ใจนะอาการแล้วฟองมันก็หายหมดเทะนะ่านั้นจิตอันหนึ่งใจอันหนึ่งมันคนลอันกันแต่ท่านก็พูดอั่งเดียวก็น่นแหละพูดเพื่อให้เข้าใจ จิตคือผู้คิดใจคือผู้อยู่ถ้าไม่มีใจก็ไ ม, ม่มีจิตท่านเองว่าจิตกับใจเป็นอันเดียวกันเราไปตามที่ใจไม่นึกถึงจิตแต่ไม่ตามด้วยจิตไม่นึกถึงใจนั่งเลยไม่อยู่แต่คำนวณเอาใจเท่า น, นั้นจิตมันก็หาให้หมดมันกคอยู่นิ่งเฉยเ้น ใจถ้าหากจะรู้จะรู้เรื่องของใจนั่นนะลองกำหนดลองดูเดี๋ยวนี้เราเอาเดี๋ยวนี้แหละไม่ต้องเป็นไกลแล้วการลมหายใจนะสักพักหนึ่งเอาเดี๋ยวนี้ะมีอะไรในที่นั้นไม่มีอะไรคิดจะรู้อะไรเยอะรู้สึกว่าใจเขารู้สึกอะไรน่นนะ ตัวใจแล้วน่ะทนระบายหลงไปมันก็ไปตามจิตอย่างเียว่านส่งสายไปตามอาการของจิตผู้แต่งนมกคิดอะไรต่งางเ่ราแะแฉทันตกาศถึงว่าให้เอาใจนั่นได้เมื่อใจอยู่แล้วมวันก็วางวัของกันนะของหลวงวดมันก็ได้มี ตัวใจมันสำคัญมากถ้าหากพิจารณาละเอียดถี่ถ้วนมาคุ้มจิตให้อยู่กับํานาจของเราแล้วมันจะรวมกัาเป็นใจัเนี่แหลสติสมาธิรวมกันลงเป็นใจแั้วมดสติกับใจได้รวมกันไหกับจิตจะรวมเป็นใจอ่ะถ้านด้อยู่นานแต่ไม่ถงอกทันทีกั้นเราไม่ใจแน่พอให้ ให้รู <favorite combination urry> ้เรื가가่องมันได้เฉยนี่แหละใจตัวนี้ดีเหมือนกันนะเรากำหนดใจสำนั่นได้แล้วมันเกิดความโกรธความโลภความหลงขึ้นมากั้นเราไม่ใจหายหมดมันเกลียดมันโกรธใชหายหมดกั้นเราไม่ใจแล้วคราวนั้นไม่หายกั้นนานหน่อยมันกลัวตายมันเกิหายกันที ล อ, องเล่นได้ันเดี๋ยะก่อนเ<ม>อานั่งคิดงานกำหนดคิดกั